พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบดลำดับที่ส1อดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13ามกราคม2557ห้าห้าดมีชื่อเรื่องว่าอย่าให้เกิดการนองเลือด วันนี้เป็นวันที่สิบสามมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแต่ทราบตามสื่อต่างๆว่านี่แหละ ว, วันนี้เป็นวันก่อม็อบใหญ่เหมือนนในกรุงเทพจะปิดกรุงเทพฟังฟังดูแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกัน ทำไมคนในชาติคนชาติไทยด้วยกันพูดกันไม่รู้เรื่องออกมาต่อต้านกันตามไม่จริงคนทุกหมู่ทุกเหล่าคนในชาติถ้าหวังดีด้วยกันแล้วก็คงจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรพอได้รับการศึกษาดีด้วยกันทั้งนั้น ไม่รู้ว่าเอาอยัางไงสรุปแล้วโลกอันนั้นมันยุ่งแล้วเกินเหมือนกับคนโบราณเขาว่าเหมือนไหมอยู่ในกระบุงฮะเส้นไหมอยู่ในกระบุงมันยุ่งในกระบุงไม่รู้เส้นไหนต่อเส้นไหนมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่รู้จะเลิดเส้นไหนออกมาเพราะมันอิรันอิรันพันตูกันไปหมดสรุปแล้วก็คือเรื่องกิเลสกิเลสไม่ยอมกัน กิเลสโลภโกรธหลงโลภในคำว่าโลภมันมันกว้างขวางมากนะโลภในยศถาบรรดาสักโลภในทรัพสมบัติโลภในการเป็นอยู่การคองชีพมันไปหมดโกรธก็ไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่ให้การสนับสนุนหรือว่าการ ที่เขาไม่ทำให้ไม่ไม่พอใจโกร<ษ>ธหลายคนลวเกินนะหลงอ่ะหลงในอำนาจอ่าหลงในความเป็นอยู่หลงในการยกย่องสนเสริญตัวหลงเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานใหญ่อีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือกิเลสโลภโกรธหลงสามตัวเนี่ยมันเป็นปูพื้นใหญ่ในจิตใจของมนุษย์ทางวันลื้อพื้น หรือฐานทั้งสามตัวนี่ออกได้โกรธหลงหรือความหลงออกได้ถ้ารู้ทั้งหมดรู้แจ้งเห็นจริงรู้สิ่งควรไม่ควรรู้เหมาะสมไม่เหมาะสมรู้ถูกต้องไม่ถูกต้องอถ้ารู้รู้แจ้งหมดแล้วคนนั้นเข้าสู่นิพพานานิพพานคือ รู้รอบขอบชิดปล่อยวางไม่ยึดปั่นหรือมั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันยากพูดไม่พูดง่ายแต่มันยากแต่ถึงจะยากกับง่ายก็ก็เถอะนะแต่ทุกคนถ้ามองตนเองให้ทุกคนมองตนเองเรื่องทั้งหลายก็คงจะเกิดได้ยากอยู่อันนี้มันไม่มองตนเองมิแต่ปักหลักตัวเองปักหลักกระชี้ไปทางอื่น คนอื่นผิดข้าพเจ้าถูกคนนั้นก็ปักหลักอีกเหมือนกันชี้ไปข้างหน้าอีกเหมือนกันข้าพเจ้าถูกเธอผิดต่างคนต่างชี้ไปข้างหน้าไม่ได้มองตนเองแต่ทุกคนมองเข้ามาหาตัวเองข้าพเจ้าก็มีจุดบกพร่องเหมือนกันเธอก็มีจุดบกพร่องเธอมีจุดบกพร่องตัวนั้นตันั้นข้าพเจ้าม่จุดบกพร่องตัวนี้ตัวน uh> ี้ ต่างคนก็ต่างหันเข้าหากันโลภทั้งโลกก็จะสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าทำลองที่พระพุทธเจ้าท่านทำนายทายทักไว้ว่ามิคขาสันดีมิคขสันดีคือคนคนมันมากพอคนมันมากทีนี้ความคิดเห็นมันก็มา ก, มา ก, มากหลากหลาย ผลที่สุดใครไม่ลงใคร เ, ออเพราะาลงใครไม่ลงใครกันป ร, ประหารประหารกันเพราะมันไม่ลงกันเพราะาประหัรประหารกันตายเป็นเบือเลยพอตายเป็นเบือเสร็จแล้วก็คนมันน้อยช่ไรักกันในออ่พวกอยู่ในป่าลงพงไผ่ทยอยกันออกมามากระตั้งลกลากรักกันเพราะมันคนน้อย มันต้องจับกลุ่มกันดูดูฟังฟังดูในพระไตรปิดกมันก็ดู ด, ดูแล้วมันคนท่าคนมากขึ้นมาแล้วมันมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นพอมันมากเห็นมนุษย์แล้วมันเบื่อมนษุษย์มีแต่จะประหรัดประหารกันเพราะไร้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม เห็นคนเหมือมนก็เห็นคู่อริจัตรูอย่างนั้นนหละพอเห็นหน้ากันเนี่ยมันก็เห็นคู่อริคู่ศัตรูกันมันคงจะมาแย่งความสุขของขา่าคนนั้นก็เหมือนกันเห็นมันมนุษย์เนี่ยคนมันควรจะมาแย่งความสุขของขา่าต่างคนก็ต่างมองออกไปข้างนอกว่ามาแย่งความสุขของตนเองเมื่อคิดได้อย่างนั้นกันเน่ะต้องขาดิ้ง ตองประหารไม่ใช่กลุ่มของข้าคนนั้นก็คิดอีกเหมือนกันไม่ใช่กลุ่มของข้าข้าต้องเบียดเบียนข้าต้องทำทำร้ายทําลายออกเพราะไม่ใช่กลุ่มของข้านี่แหละมันก็เกิดมิขสัญญีขึ้นมาได้เลยเพราะต่างคนก็ต่างเห็นแก่ตัวแล้วก็คนอื่นมาแย่งความสุขของตนเอง เนี่ยโลกทั้งโลกดูฟังฟังดูในพระไตรปิฎกที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเรามาพิจารณาดูแล้วคาว่ามิขสัญญีคำนี้เนี่ยคือคนมันมากแล้วก็ความทะเลาะเบาแว้งกันเกิดได้ง่ายเพราะมันคนเบื่อคนสรุปแล้วมเมื่อคนต่อไปภายภาคหน้าอายุสั้นเท่าไหร่พระพุทธเจ้าถาว่าอายุสั้นเท่าไหร่ กิเลสราคะโทสะโมหะนี่ยิ่งรุนแรงราคะโทสะโมหะเร่งยิ่ยงรุนแรงพราะคนอายุสั้นจากนั้นคนเนี่ยเข้าประหัสประหารกันจากนั้นอายุของคนก็จะยืนยาวต่อไปอีกเพราะว่ามันมันคนมันหมดนี่แหละวัตวนของโลกแต่เราจะไปอยู่ในวัคในมุมไหน ในกลุ่มไหนทาไปอยู่ในยุคที่ศึกสงครามแล้วก่ออูหน้าคิดเหมือนกันถ้าคิดดูดประเทศอินเดียฆ่ากันมาเท่าไหร่ประเทศไทยแถบนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในสมัยก่อนศึกสงครามแต่มายุคสมัยของเราเนะสึกว่าสงบแต่ปีสองพันส้อยแปดสิบแปดที่หลวงพ่อเกิด 85, 86, 87้าปดสหกปสิบ็ดช่วงนั้นน่ะสงครามบูรพาญี่ปุ่นยกทัพขึ้นไปสู้กับอังกฤษกับอินเดียพามา่าจีนเยอรมันสมัยสองพันสี่ร้อยแปดสิหกปดสิบเจ็ดสี่ปีแปดสิบแปดหลวงพ่อเกิดสงครามสงบแต่ถ้าเราเกิดในยุคสมัยนั้นก็โอ ฟังฟังดูพวกผ้าของใช้ต่างๆพวกผ้าเนี่ยหาผ้าห่มนุ่ห่มไม่ได้แต่พวกกลุ่มในกลุ่มใดทำผ้าได้เขาก็ทำผ้าใช้เองถ้ากลุ่มไหนทำผ้าไม่ได้นะก็โอ้ลำบากอย่างมากๆพวกผ้านุ่มผ้าห่มของอยู่ของกินของใช้ขนาดเข็มเย็บผ้าหนึ่งมนจะเอาอะไรเย็บผ้า ได้ก็ไม่มีเข็มก็ไม่มีคนสมัยนั้นเขาเห็นทุกเห็นโทษจริงๆยุคสมัยสงครามเขาจะประหยัดมาช่วระยะหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันพุ่มเฟยพุ่มเฟือเรื่องด้านวัตถุรื่มหมดแล้วพอรุ่นเก่าตายไปหมดแล้วมีแต่เล่าๆอะไรให้ฟังแต่สมัยก่อนที่จะทำได้ไม่รู้จะเอาอะไรทำได้เอา เอาใบใหญ่สับ ป, ปะดรดก้านสับ ป, ปะรดมาแล้วก็มาทบุบทบลลแล้วก็มารีดแล้วก็มาฟันทำให้เป็นได้เย็บเสื้อผ้าที่มันขาดหลงหลิงยุ่งเข็มก็ไม่รู้จะเอาอะไรฝนอะไ ร, ะไรเหล็กเจาะรูให้มันเป็นรูแล้วก็ทำเป็นเข็มไม่ใช่ของง่ายๆอีกเหมือนกัน นี่แหละ ถ, ถ้าเราเกิดในสมัยยุคศึกสงครามแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้นะับว่าพวกเราโชคดีนะเกิดมาได้ในช่วงนี้ยุคนี้แต่ก็เราปรารถนาอย่างมากเลยอยาให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในยุคของเราแต่ขมันก่อนนะ่ะกระหึมกระหึมมนุษย์มันมากอย่างที่วานี่ยนะก็น่าคิดอีกเหมือนกันนะ่ะ แต่ถึงยังไงก็เถอดน ะ, ะพวกเราท่นทั้งหลายอยู่ในป่าดงพงภัยพยายามภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งชําระจริตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอันนั้นดีที่สุดเพราะถ้าว่าเรามาเกิดในวัฏฏะสงสารไม่พบเลก็ต้องชาติหนึ่งแ่ะจะต้องมาพบมาเจอในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เกิดมาแล้วจะทำไงเขาเกณฑ์เข้าไปศึกสงครามต้อนไล่ฆ่า เ, เป็นเสลยศึกในยุคสมัยนั้ น, นทำยังไงนี่ละถ้าเราได้เกิดมาในโลกไม่พบเลยก็ต้องชาติหนึ่งแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าก็เถอะถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็สลดหดหูเหมือนกัน ทั้งเสือพญาต์พระวง์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าวิถุธพระฆ่ากันเป็นเบือเหมือนกันแต่รับหัวเมืองยุคสมัยนั้น<ม>การฆ่ากันมันเป็นธรรมดาแต่ว่าผู้ที่ฆ่าเนีย่ยฆ่า้วยอารมณ์มาดูศึกษาในพระไตรปิฎกมายุคสมัยพระ เมืองอินเดียก็เหมือนกันศาสนาล้างศาสนาที่เมืองลานนาลันธาอันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่กระจายกระจายตายมันรู้เท่าไหร่เหมือนกันนั่นแหะดูๆแล้วก็น่าเบื่ออีกเหมือนกัน่ะแต่มันเบื่อแล้วมันไม่นายเบื่อแล้วไม่นายมันไม่เบื่อเบื่อแต่เบื่อเบื่อจริงอยู่แต่เบื่อเบื่ออยากอยากมันยากจริงถ้าเบื่อนายคลายหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมันอันนั้นดีที่สุด นี่แหละหลวงพ่อเองก็มีแต่อยู่ในป่าดงพงไพยได้ยินว่าเขาก็ห่มก็หิ่มกันหลวงพ่อมีแต่ตั้งจิตอธิษฐานไหวพระสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานเออเล็บเทปเจ้าเหล่าเทวาผู้มีบุญหนักสักใหญ่ผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้บำเพ็ญในพื้นแผ่นดินไทย จะเป็นพระกด็ดีจะเป็นผู้มีบุญบาร ม, มีที่ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมก็ขอให้มองดูประเทศไทยดโดยเทิดข่าวนี่ประเทศไทยรู้สึกว่าขับขันพอสมควรไม่รู้ใครผิดไม่รู้ใครถูกแต่ถึงยังไงยังไงก็อย่าให้ได้ข้ากัน เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนามาแต่ดึกตำบันมาแต่นมนานมาแล้วมาฆ่ากันให้ชาวโลกเขาได้เห็นมันอดสูดูได้ขอให้ผู้ที่ผิดก็ยอมรับซะผู้ที่ถูกก็เอาคนดีเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองด้วยฤทธิอำนาจด้วาบุญบา ร, รมีของเทพเจ้าเหล่าเทวาช่วยบรรลบรรดาโดยเทิดนะ หลวงพ่อก็คิดเท่านั้นแล้วอ่ะเอแต่บุญบารมีของหลวงพ่อนะี่ยคงยังไม่ช่วยไม่ได้แต่ก็คืนพูดออกไปนะเขาคงจะดา่าหลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่อก็คงไม่กล้าที่จะออกไปพูดไปกล่าวแต่ผิดถูกรู้อยู่ถ้าเขาเม า, เาพูดให้ฟังอันนั้นพิษนะถูกนะถูกต้องไม่ถูกต้องใครก็รู้แก่ใจแต่มันยอมรับหรือไม่ยอมรับเผยเผย หลวงพ่อของสุจ้ายังถูกบัตรสนเทกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานเนะแต่หลวงพ่อจะทำยังไงได้นะถึงบัตรสนเทกชนเทกนะเทกกับเทนะว่าเหมือนกับเราเดินไปผ่านไปหมามันเห่าเราไม่ให้หมาเห่าก็ไม่ได้ใ่ปว่าอย่างไงถ้ามันเก่งจริงก็มาใช่ปะ อ, ออกโผ่ออกม า, มาเป็นหมาตัวไหนใครเป็นผู้ นั้นเราก็จะได้พูดทำความเข้าใจหลวงพ่อไม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดกี่ไปกี่ปีข้างหน้าไม่รู้วันไหนแล้วหลวงพ่อก็จะตายแล้วจะไปผูก พ, พยาบาทอาฆาตกับใครให้โง่ทำไมทำไมผิดถูกก็ไม่รู้เหรอแต่คนอิจฉาคนที่พูดบัตรชนเทนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกนันนะหลวงพ่อเนี่ย แปลกเหนกันคงจะเป็นมีบาปกรรมอะไรก็ไม่รู้นะลูกหลานเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้ผูกพยาบาทอาคาตใครพูดไปตามธรรมดาแต่คนทําไมมันเป็นอย่างนั้นวะทําไมเข้าใจผิดว ะ, ะมีอะไรก็มาพูดกันก็ได้เลยพระอินทร์พระอินทร์ไม่ใช่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟา้าเมื่อไหรพระอินทร์อยูใใ่ใต้ดินกินข้าวธรรมดามีอะไรก็มาพูดกันได้ แต่มันก็ยากเหมือนกันนะลูกหลานนะนาจิตังนานาทัจนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนั่นแหละเอาต่อนนี้ไปรับพ่เนอะอนุโมทนาให้พน